จะเริยนในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงพุทธิยานในวันนี้จะพูดเรื่องนิโรธข้อที่สองตามที่ท่านแสดงไว้ในแตกรถามาสติปัฏฐานในสูตรคือนิโรธข้อแรกที่บอกไว้ในวันก่อนว่าเป็นตะทางกานิโรธคือดับกิเลสได้ด้วยองค์ของธรรมะจนถึงระดับของกรรมฐานในขณะนั้ น, น, น ได้แก่การที่จิตมีสติจดจ่ออยู่กับนามรูปแล้วก็กิเลส ก, ก็ดับไปในแต่ละขณะขณะซึ่งหมายความถึงการใช้สติสัมปชัญ ญ, ญละเลืกรู้ในชีวิตประจำวันนั้นระดับหนึ่งะระดับเด่งก็คือในขณะที่บงเพ็ญภาวนาทางจิตคือบางทีจะสงบจริงมันไม่ได้หรอกก็ให้สงบในแต่ละขณะ อย่างน้อยก็สัมผัสความสงบเย็นที่ปรากฏภายในจิตได้ก็ต่อไปเป็นความประนีตมากยิ่งขึ้นคือดับกิเลสด้วยการข่มไว้ ไ, วได้สมายถึงท่านที่จเจริญส ม, มาถากรรมฐานจะใช้อารมณ์กรรมฐานก็ได้ก็ตามพอถึงจุดหนึ่งท่านมีความสงบระดับสมาธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ระดับอัปปนาสมาธิคือสงบอย่างแน่แน่ขึ้นไปจนถึงฌานทั้งหลายเนี่ยคือแต่ระดับเนี่ยที่จริงกิเลสมันไม่หมดหรอกมันเป็นการสยบกิเลสรือสงบกิเลสแต่อุปมาเหมือนกับเอาเสือลำแพนไปปูไว้กลางสนามมันก็ไม่มีหญ้านะแต่ลอดตึงไม่มีขยะแต่ที่จริงข้างล่างเนี่ยมันมี เพราะจิต ใ, ใจที่สงบระดับนี้ถตาก็ขาดการระมัดระวังแล้วเนี่ยโอกาสจะเสื่อมเนี่ยเสื่อมได้เสื่อมแล้วบางทีก็หล่นโครมลงมาเลยเนีฮะหรือตกกระแทกพื้นเลยเราะอะไรเพราะว่านั้นเป็นการกดกิเลสเอาไว้ี๋ยวนึกใคล้ๆกับเราไปกดอสีสษะของงูพิษเอาไว้เนี่ยแกก็ดิ้นอยู่นั่นแหละ แต่ว่าตอนใดมือเราลาเนี่ยแกก็สะบัดได้นะฮะแกก็กัดเราได้ทางการสงบกิเลสประเภทระดับสมาธิระดับฌานเนี่ยท่านจึงเรียกว่าเป็นวิคขมพนดนีโรต์คือดับได้ด้วยการข่มไว้ก็เมื่อเจริญกรรมฐานสมาธากรรมฐานไปถึงจุดหนึ่งได้สมาธิระดับที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิคือสมาธิแ น, แน่แน่จนถึงได้บรรลุฌานเนี่ยไปฌานแต่ละข้อเนี่ย มันจะทำหน้าที่สงบที่จริงถ้าท่านผู้ฟังลองสังเกตนะฮะว่าธรรมะแต่ละข้อเนี่ยเขาทำหน้าที่สงบกิเลสโดยตรงตัวกับเขาเนี่ยอย่างหนึ่งแล้วก็สงบที่ใกล้เคียงในอีกอย่างหนึ่งยางยกตัวอย่างแค่เราจะเริญนพรมิหารสี่ประการพรมิหารนี่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่มากๆเสียด้วยระดับสังคมนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มาก แล้วเราก็ก้าวไปไม่ค่อได้แล้วก็แขวงระดับของพรหมีหานเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเมตตาปรากฏเนี่ยพยาบาทความโกรธต้องไม่มีนะเมตตามันจะสงบไว้สยบไว้หรือกรุณาปรากฏเนี่ยความคิดเบียดเบียนจะไม่มีต้องสงบแล้วก็มุติตาปรากฏเนี่ย ความวิทยาต้องไม่มีทีนี้ถ้ามีสองอย่างเนี่ยแสดงว่าผิดฮะมันต้องมีอย่างเดียวแค่แค่ก็มืดก็ต้องไม่สว่างสว่างก็ต้องไม่มีอันนี้เราพูดด้านด้านสว่างหมายความด้านมืดต้องไม่มีเพราะเบขาปรากฏเนี่ยความลำเอียงจะไม่มีหรือแม้แต่ความยินดียินร้ายนะจะไม่มี แต่นั้นชาญเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างปัจจุบันเนี่ยมีการประรบวนกอนเนี่ยเป็นเป็นเรื่องแปลกคือวันที่แปดพฤษภาคมเนี่ยไปบรรยายอบอรมครูอะไรล่ะเขาเรียกว่าประชาบาลนะฮะอนักศึกษาประชาบาลสปจประจำจังหวัดนครราชสีมามันมีคำถามเกี่ยวกับวัฒธรรมกายเยอะเลย ตั้งสี่ห้าคำถามที่จริงเรื่องนี้มัญหายเป็นานแล้วนะฮะคือเราไม่ค่อยได้ยินนะฮะแต่ที่น่าสังเกตคือถ้าเราบรรยายในกลุ่มข้าราชการนักศึกษาแล้วจะเจอคําถามเหล่านี้แต่ถ้าบรรยายกับคนทั่ ว, วไปเนี่ยมักจะไม่ค่อยเจอแล้วก็พระอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะจะเจอคําถามในลักษณะนี้ เป็นเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมันมีปัญหาในในการปฏิบัติของเราคือเราไม่ต้องดูตัวอย่างอื่นใครนะฮะเช่นเมื่อเราบอกว่านักถือปรตันตรานาใจสายต่างๆเนี่ยลูกศิษย์ของอาจารย์ดังๆทั้งหลายเนะี่ออยฮะเคยเห็นว่าบางคนก็ใหญ่โตมากนะฮะตาอื่นในสายตาแกนี้กิ่งก๊อกหมดเลย นันแสดงให้เห็นว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงนั่นจิตใจเลยเป็นอยู่ในสภาพที่ใกล้เกือดกินด่างแต่บางคนนี่ไม่ไหวพระอื่นนอกจากพระอาจารย์ตัวเองนั้นก็แสดงให้เห็นว่าจิตใจเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันเกิดเป็นอาหารการเปิดเปิดมัมังการขึ้นมาอาจารย์ชั้นใหญ่บพราะฉันต้องใหญ่พระอื่นเล็กทั้งนั้นเลยก็ไม่ไหวแต่ในขณะเดียวกันเราก็พบ ลูกศิษย์สำนักกรรมฐานบางสำนักเนี่ยอ่อนโยนมากเจอพระแล้วแสดงความบ่ อ, อ น, น้อมยกมือไหว้พระน้ไม่อยากให้ไหว้หรอกแต่มันเป็นมาตวัดคนได้อย่างหนึง่งเพราะจิตใจเขาเป็นยังไงอะที่เขามาเป็นลูกศิษย์ประราจารย์กรรมฐานนี่เขาเป็นยังไงเขาได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมบ้างไหมเพราะผลก็กรรมฐานจริงๆเนี่ยคือผลระดับชาญินะ เป็นสัมผัสตรงเพราะว่าสมถะกรรมฐานานั้นจะต้องสงบนิวรณ์ได้นิวรณ์ก็มีห้าประการที่จริงก็คือโรคปวดลงนั่นแหละแต่ว่าเราจะเห็นว่ากิเลสประเภทนิวรณ์เนี่ยมันมีทั้งหยาบนะไอ้พวกนี้มันอยู่ตรงกลางก็เรียกประยุทธฐานักิเลสแต่ถ้ามันหยาบขึ้นมามันออกเป็นอย่างอื่นออกเป็นประทุสร้ายทางกายทางวาจาเพราะว่ามันจริงๆก็คือโรคปวดลงนั่นเอง แต่บางอย่างเนี่ยมันสงบตรงนี้ได้แล้วไปปรากฏอยู่ในสถานะอื่นเป็นกิเลสประเภทอนุัสกิเลสหรือว่าเป็นประเภทสังโยชน์แต่สรุปรวมแล้วแม้จะห้าข้อเนี่ยก็คือก็คือสามข้อคือโลกปวดหงทีนี้อารมณ์ของกรรมฐ า, านที่เกิดเนี่ยเขาจะดับกิเลสได้นานตราบเท่าที่นะฮะเราเต้เตฌานก็ยังไม่เสื่อมฌานเสืมง่ายนะฮะอ่อนไหวง่าย คนที่ต้องการจะรักษาฌานจริงๆต้องอยู่ป่าแล้วก็อยู่ในสมาธิอยู่นั่นแหละเจริญสมาธิอยู่นั่นแหล ะ, ะ, ม, หละมันบางทีก็เป็นอาการกล่อมจิตไปเหมือนกันเพราะก็จริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทําประโยชน์อะไรแก่สังคมเท่าไรามองแต่ว่ามัวแต่ว่าไปแก้ปัญหาให้แก่จิตใจของตัวเองแต่มันเป็นทางผ่านนะฮะต้องเดินทางตรงนี้องคฌานเวลาเขาปรากฏเนี่ย ครั้งแรกเนี่ยก็เป็นวิตกคือความนึกนะฮะความนึกหรือความตรึกก็แล้วแต่จะเรียกมันจะทําหน้าที่สงบทีนะมิทะคือความเมื่องเหงาหานอนซึ่งซึ่อมายเหงาหดหูเคริบเคริมจืดชือชาเย็นเหนื่ อ, อยนหน่ายท้อแท้อะไรต่อะไรก็ตามนะฮะมันจะสงบลงไปแล้วก็ต่อจากนั้นมันก็จะเกิดวิจาร์ คือการไตรตรองการพินิจพิจารณาอารมณ์ที่ตนกำลังสัมผัสอยู่ในขณะนั้นๆั น, นแต่ว่าความไตรตรองในเรื่องที่เป็นกุศลเมื่อใช้เหตุผลใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาไตรตรองอยู่วิจิกิจฉาคือความครุกแคลงสงสัยนี่มันจะสงบจะน้นจะเกิดปีติ คือความเ อ, อื้อิ่มปรากฏออกมาในลักษณะต่างๆซึ่งเป็นผลทางด้านจิตใจของบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติเขาจะได้สัมผัสด้วยจิตของเขาเองว่าอาการที่ปรากฏภายในจิตในขณะนั้นๆจะทำให้ความคิดแนวพยาบาทอาคตาจองร่างจองผานจองเวรกันเนี่ยจะสงบตรงไป ใจเขาก็มีความอึดอิ่มมีความปีติอยู่ในธรรมะตรงนั้นแล้วก็ในข้อต่อไปนะั้นก็จะเกิดความสุขอาการของปีตินั้นท่านอธิบายไว้ในสมาธินิเทศใน ปฏิส้มพิธามคำพีวิสุทติมักนะฮะคำพีวิสุทติมักเนะี่ยถ้าอธิบายลักษณะถึงท่านฟังที่สนใจประพฤติปฏิบัติระดับสมาธิมาเนี่ยก็คงจะสัมผัสอยู่บ้าง เ, เช่นอย่างหนึ่งจะเรียกขุตกาปิติเป็นรู้สึกเออบิมปราปรื้มเล็กน้อยอาจจะคนลุกอาจจะน้ำตาไหล เดี๋ยจะมีอะไรมาตายไปตามตัวความรู้สึกอย่างนั้นนะ่ะนะบางทีก็เรียกคณิกาปิติคือปรับปริ่มไปช่วงขณะเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่ว ง, เ ป, วงเป็นช่วงไปรู้สึกเอิบอีกมบูบหนึ่งแล้วก็หายไปต่อมาก็เอิบอิ่มบูบหนึ่งก็หายไปเอิบอิ่มบูบหนึ่งอีกก็หายไปอีกอย่างนึงก็เรียก อ, อกกันติกาปิติเป็นความปรับปริ่มถึงตัวโยก บางคนก็โยกบางทีก็โครงนะฮะบางทีก็โยกไปข้างล่าบางทีก็โยกมาข้างหลังแต่ไม่ใช่ส ป, ประงกนะฮะต้องแยกไห้ออกพวกนี้คล้ายๆกับสับ ป, ประงกบางทีมันคล้ายกับส ป, ประงกแต่ปิตินี่จิตมันใสนะฮะจิตมันจะอยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดระลึกอยู่บางคนลดผลจุดถึงก็ตัวลอยก็ เ, เรียกว่าอุเพฆาปิติประปริมอยู่ตัวลอย หลายตีมาแล้วท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านมรณภาพไปแล้วท่านเล่าให้ฟังว่ามีพระหนุ่มรูปหนึ่งเนี่ยเข้าไปเจริญกรรมฐานในป่าแล้วเกิดนั่งสมาธิแล้วตัวลอยพอตัวลอยเาก็ตั้งสติกำหนดอธิษฐานให้ตกลงในให้ไปลงได้ในที่ใดที่หนึ่งก็ไปลงในเป็นเงื้อมเขานะฮะ แล้วก็เข้าไปก็เป็นธรรมมันก็ดูจากแสงจันทร์ก็เดินไปเดินมาก็ไปเจอกล่องก็เป็นที่ใสยานะฮะของของใครก็ไม่รู้อะก็เดินดูก็รู้สึกว่ามีคนเคยมาอยู่แตนี้ปัญหามันไม่ร่วมันอยู่ที่ไหนก็เลยก็นั่งสมาธิต่อไปเรื่อยๆนะฮะจนเกิดปิติขึ้นมา แล้วก็ตัวก็ลอยอีกเป็นอุเพงคาบิติก็ลอยอีกลอยก็การที่ฐานใจกลับที่เดิมก็ได้กลับนะฮะกลับไปเรียบร้อยแต่พวกนี้ออกสมาธิไม่ได้นะฮะแล้วก็ไปเล่าให้อาจารย์เขาฟังอาจารย์คงต้องการทดสอบมากกว่าเยวก็เล่าถึงบริเวณอย่างนั้นอย่างนั้นได้พบเห็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นอาจารย์ก็รู้ว่าลูกศิษย์ยังไม่เคยไป แตว่าสงสัยว่าเก็บไปจริงหรือเปล่าท่านก็บอกเอ้อกองยานั่นเป็นของผมเองหรือไม่หลังถ้ามันเกิดปีติอีกคุณจะเอามาให้หน่อยหน่อกันปรากฏว่าเก็บไปเอามาได้จริงนั่นเป็นเป็ น, ปนอุเพงคาปิติแล้วเคยพบประวัติพระอาจารย์เสานะฮะพระอาจารย์เสาก็พระอาจารย์ก็าพระอาจารย์มั่นอีกที่หนึ่งแต่อายุรู้สึกว่าหลวงปู่ทั้งสองนี่ไม่เคยห่างกันเท่าไหร่ ถ้ามีปิติในลักษณะโลดโผนเหมือนกันจนพิสูจน์ทดสอบปมันจริงหรือเปล่ามันขึ้นไปจริงหรือเปล่าท่านเอาไอ้เอาไม้ไปเสียบไว้ที่เขาเรียกอะไรล่ะ<ม>หน้าจัวนะฮะเชิงชายหรือหน้าจัวตรงเนี้ยตรงตร ง, ตร ง, ต, รงตรงยอดแหลมของหลังคานะฮะแล้วก็พอเกิดปิติมันลอยเนี่ยท่านก็อธิษฐานใจ ให้ไปเอาไม้นั้นมาเพราะฉะนพอท่านออกจากกา ร, รมตฐานก็ปรากฏไม้นั้นมาวางอยูบ่บนตักท่านบางทีก็เป็นอาการปีติที่ปราบรื้มยนทราบสั้นไปทั่วทั้งสารพางกายแต่พวกนี้ไม่ใช่เป้านะฮะเพียงแต่ว่าเป็นทางผ่านเฉยเกิดหรือไม่เกิดก็ช่างมันไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ถ้าปีติระดับฌานเนี่ยมันก็จะปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจิตของบุคคล แล้วก็ข้อต่อไปก็คือสุขพอสุขก็เกิดเนี่ยทิติมันสงบพยาบาทนะสงบความโกรธความพยาบาทแล้วก็พอเกิดสุขขึ้นมาเนี่ยอาการฟุ้งทั้งหลายเนี่ยก็เลยอุทจจะอุทจจะคือฟุ้งไปในด้านต่างๆบางทีเขาเรียกว่าเจตสววูปัสมะคือจิตที่ไม่ยอมสงบเนี่ยมันจะสงบ และตัวการสําคัญที่สุดก็คือตัวสมาธิเนี่ยสงบโลภะนะฮะสงบกรารมันฉัปนปัญหาใหญ่ที่น่าห่วงใหญ่เวลาเนี้ยคือว่าสํานักกรรมฐานเนี่ยมันคิดโลภผิดปกติเลยเป็นเรื่องแปลกเลยเอามาเองงง ง, ง, งนะฮะไปในที่บางแห่งเอ๊ะทาไมมันรูหราคู่้าจังเราไปสํานักกรรมฐานบางแห่งเนี่ยเคยไปนะฮะข้าห้องน้ําใช้เครื่องอุปกรณ์ไม่ถูกเลย มันรู้เกินไปเราไม่เคยเห็นทั้ง ท, งที่เราอยู่ในกรุงเทพเนี่ย น, นั่นคือสิ่งที่เป็นไปได้ไหมว่าท่านเองไม่ได้เป็นกรรมฐานและท่านติดนิมิตอยากใจอยากโตอยากรู้อยากสวยอยากงามอยากคือวิจิตอ่ะมันปรุงนิมิตปฏิภาคนิมิตแต่มันปรุ ง, ปปรงเป็นแสงเป็นสีเป็นลวดลายอะไรอะไรใสๆทั้งทัานก็ว่ากันไปเรื่อย เพรจริงๆแล้วตัวสมาธิเนี่ยเป็นตัวปฏิปัติต่อการมัจฉาเพราะถ้จิตเป็นสมาธิเนี่ยกิเลสสายโลภะมันต้องสงบจะลองสังเกตนะอย่างที่บอกว่ามันอ่อนแอมันไม่ได้แข็งแรงเท่าไรหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเหล่านี้จึงต้องหลบหนีอารมณ์ที่กระตุ้นราคะกระตุ้นโทสะกระตุ้นโมหะทั้งทง่้นก็เคยมีเหตุการณ์หลายปีมาแล้วประมาณจ๊ก ครูรนสามสิบเขาเจะ่ปสา3สิปีแล้วนะนานแล้วมันมีข่าวตอนนั้นลือมากเลยมีพระกรรมฐานเดินสายมาจากทางใต้นะตั้งตลไรสองร้อย200กว่าหรือสามร้อยกว่า เ, เดินขึ้นไปทางเหนือนะดังมากมาในกรุงเทพมาพักอยู่แถววัดอะไรลาดนัดดาหรืออะไรนั่นนะแล้วก็เทศ เด็กเนรน้อยๆสามารถตอบปัญหาได้นะ้วเราก็ไปพักอยู่แถวอะไรอะแถวจตุจักรตอนนั้นยังไม่มีส่วนจตุจักรคนก็แห่กันไปแล้วก็ไปหายไปเลยนานหลายปีก็ลืมไปแล้วเรื่องเหล่านี้วันนี้ไปเจอพระในกระบวนกก็ปรู้จักกันสอบถามเป็นไงหายไปไหนแล้วกระบวนเนี่ยมันยาวเหลือเกินนะ แกบอกว่าถูกสาวๆแถวทางภาคเหนือเอาบาดไปทําร่ังกายซะเยอะอันนี้คือเอาก็จริงแล้วเนี่ยมันไม่แข็งจริงหรอกแต่ว่าเป็นทางผ่านที่เราจะต้องหลบหลีกอารมณ์ในตนสิปตัตนามฤรคธาญวันที่พระเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนากิดธรรมจกักกวัตนาสูตรมัก็มีความเป็นมาอย่างเงี้ยเป็นนิโรธประเภทเนี้ยเป็นนิเรศ ป, ประเภทวิขัมปะณะนิโรธเนี่ย คือหลุดพน้นด้วยการสงบไปแต่ว่าก็จบลงด้วยอาการที่ท่านไปกระทบอารมณ์คือโดยเฉพาะผู้ฤๅษีนี่ท่านอยู่ป่าแล้วก็ห่างจากเพศตรงกันข้ามคือไม่ค่อยเห็นไม่เห็นรูปไม่เห็ น, ไ ม, หนไม่ได้ยินเสียงเลยแล้วคือไม่เห็นใครอยู่กับป่ากระลิงข้างบังชนีทั้งหลาย ถ้าได้พิญญาเลื่อนลอยมาในเบื้องหน้าผากาศก็คงไม่สูงเท่าไหร่นะได้ยินเสียงเด็กสาวคนหนึ่งร้องเพลงอยู่ในสวนเกิดกำหนัดในเสียงพอใจในเสียงรู้สึกเสียงมันไปรอบมาจิตก็ปวดแล้วพอหันไปเห็นรูปแตนแองอ่ะชานเสื่อมเลยเกิดพอใจในรูปเห็นไหมทั้งรูปทั้งเสียงนะ่นคือวัตถุกลาม ทีนี้จิตใจที่ดับกิเลสได้ระดับนี้มันไม่ช่ดับหมดมันเป็นการสยบเอาไว้คล า, ายกติโยกตัวอย่างว่าเราเอามือไปกดศีสระงูเอาไว้เนี่ยมันดิ้นได้มือเราลากขึ้นมาเกิดดิ้นได้แต่ือสีเหล่านั้นก็หล่นลงมาคือค่อยๆตกลงมานะเขาบอกว่าตกแบบนุ่นหรือสมรีมันหล่นมาจากที่สูงไม่ถึงกับ ตกวูบลงมาเลยนะฮะคือประคับประคองได้ประคับประคองไม่ได้แล้วก็ในที่สุดสถานที่นั้นจึงเรียกว่าอิสิปัตนาแปลว่าฤาษีหล่นนะฮะอิส e ิก็คือฤาษีปัตนาก็คือหลน่นฤาษีตกลงม า, าแสดงให้เห็นว่าการหลุดพ้นระดับนี้แม้จะเป็นเรื่องค่อนข้างจะมีพิธีรีตองมีหลักการมีวิธีการในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติจน แต่บรรลุระดับนี้แล้วก็ตามนะแต่ จ, จริงก็ยังเสื่อมได้เพียงแต่ ว, ว่าผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามในฐานเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสมถะกรรมฐานนะฮะเป็นพวกเจโตวิมุตต์คือต้องเดินไปสายตรงนี้คือทำยังไงให้สติมีกำลังสมมัญญามีกำลัง แล้วก็ความเพียรก็เป็นพลังที่ขับเคลื่อนนําจิตเข้าสู่ความสงบได้อย่างต่อเนื่องมันก็จะลดอาการคู่คามมาจากข้างนอกให้ลดน้อยถอยลงไปจิตใจของบุคคลก็จะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอาการเหล่านี้ที่จริงก็อยู่ในกรอบบางครั้งเนี่ยเราจะพบในส่วนเหตุที่ท่านเรียกว่าปาหานหรือปาหาหนะนะฮะบางทีก็ปาหานไปเลย คือฆ่าไปเลยแต่ว่าที่จริงไม่ได้ฆ่าจริงอะ่ะฆ่าเป็นขณะนั้นๆทำลายกิเลสได้ในขณะนั้นๆระดับวิค h a m ณป n หาเนี่ยหรือวิค h a m p นิโรธเนี่ยก็กลายเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้คนได้สงบกิเลสเอาไว้ตามกระ บ, บังความสามารถของแต่ละท่านนะค ซึ่งก็หมายอวามว่าทําได้มากก็น้อยแต่ทำได้มากก็มีทําได้น้อยก็มีก็แล้วแต่ท่านจับใดที่ชานยังไม่เสือ่อมมีข้อแม่อย่างเนี่ยฮะชานยังไม่เสือ่อมถ้าชานไม่เสือ่อมมันก็ต้องยเยริญชาญอยู่เลยเพราะว่าระดับชาญเนี่ยถ้าเราออกจากชาญมันก็ชาญมันก็หายไปนเช่นออกมาตั้งสมาธิเข้าชาญแล้วออกมารับประทานอาหารมันก็จบแล้ว เพียงแต่ว่ามันมีความชํานาญเมื่อจะเข้าสมาธิเนี่ยก็เลยมีวสีคือความคล่องแคล่วชำนิชำนาญอยู่เนี่ยจะทําให้ท่านเข้าฌานได้เร็วเสื่มได้นะฮะแต่ว่าทาให้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยได้ฌานแต่ว่าระดับฌานนี่แหละมันก็สยบอิเลสไ้ได้ตลอดระยะเวลาที่ฌานี่ยมีอยู่ต้องฟังทราย